สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิเสีอภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่สี่ร้อยเก้าเรื่องอนุภาพแห่งรักพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่สิบสามข้อที่สามสิบสี่สามสิบห้าโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกัน เรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกันดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเราพี่น้องครับในเช้าวันนี้จะพูดถึงเรื่องของอนุภาพแห่งความรักซึ่งเกิดจากบัญญัติใหม่หรือ New Command ที่พระเยซูได้ให้กับสาวกของพระองค์ แต่สาวกของพระองค์นั้นก็รวมถึงพวกเราทั้งหลายเช่นกันเมื่อเราคิดถึงคอมเมนก็คิดไปถึงคำว่าคอมเมนต์น้ก็คือท0คอมเมนต์น้นซึ่งหมายถึงบัญญัติ10ประการนั่นเองเนะครับหลายๆครั้งทีเดียวนักเทศได้นำเราให้เห็นถึงบัญญัติ10ประการ น, นั้นสามารถสรุปออกมาเป็นพระมหาบัญญัติที่พระเยซูสอนก็คือ4ข้อแรกเกี่ยวกับเรื่องของความรักพักดีในพระเจ้า และหกข้อหลังเกี่ยวข้องกับความรักพักดีในมนุษย์หรือในตัวบุคคลสรุปรวบยอดก็คือบัญญัติทั้งสิบประการในพระคัมภีร์เดิมและบัญญัติมหาบัญญัติของพระเยซูบัญญัติใหม่และบัญญัติใหม่ในที่นี้ก็คือนิวคอมแมนร่วมกันแล้วนะครับเหลืออยู่แค่เรื่องเดียวก็คือความรักถามว่าทำไมเป็นความรักทาไม คริสตยนิี้หรือเกียรศาสนานั้นเน้นเรื่องความรักและความรักนั้นเป็นหัวใจของเกียรศาสนาก็คือชีวิตของพวกเรานั่นเองเมื่อคิดไปคิดมานะครับเราคงปฏิเสธไม่ได้และเราคงสรุปได้ว่าความรักนั้นเป็นคําตอบสุดท้ายของทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์อันนี้คือความรัก ดั้งเดิมตั้งต้นที่พระเจ้ารักพวกเราทั้งหลายในพระอภิษฎบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักหมายความว่าในพระองค์นั้นมีความรักในขณะเดียวกันครับก็มีความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเหตุที่พระเยซูจะต้องเสียสละพระชนชีพของพระองค์เสด็จลงมาในโลกนี้เพื่อยอมตายบนไม้กางเขนนั้นก็คือเริ่มต้นจากความรักในขณะเดียวกัน พระองค์ต้องรักษาความบริสุทธิ์ยุติธรรมพระองค์ไม่ลงโทษคนบาปไม่ได้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงกระทําตัวพระองค์เองให้เป็นคนบาปด้วยเหตุ น, นี้การสิ้นพระชนบนแมงเขนของพระองค์พระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นทรงสิ้นพระชนในฐานะของคนบาปพระเยซูได้ทรงก ร, ระทําเป็นตัวอย่างครับ โดยแสดงออกซึ่งความรักที่แท้จริงให้เราเห็นอันนี้คือสิ่งที่พระเยซูได้ตัดไว้ในข้อที่สามสิบสี่เรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นความคาดหวังขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูรยคริสต์ของเรานั้นก็คือใช้ความรักแบบพระองค์ซึ่งยากมากใช่ไหมครับพี่น้องการที่เราจะรักคนอื่นอย่างที่พระเยซูทรงรักเรานั้นยาก แต่พี่น้องครับมนุษย์เราล้วนเกิดจากการตอบสนองต่อความรักพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์เราก็ล้วนเกิดจากการตอบสนองต่อความรักทั้งสิ้นพระเยซูทําเป็นตัวอย่างเราตอบสนองพระองค์เกิดจากความซาบซึ้งดื่มด่ำในความรักที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับเราเราคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าเมื่อเราถูกรักเราถึงจะรักคนอื่นเป็น เราเห็นได้ว่าเด็กที่ถูกทอดทิ้งเขารักไม่เป็นที่เขาจะรักคนอื่นหรือรักลูกของตัวเองเขาจะต้องเรียนรู้ครับตัวเหตุนี้เองทำให้เรารู้ว่าความรักนั้นเรียนรู้ได้แม้ว่าเราจะรักไม่เป็นแต่ถ้าเกิดเราได้รับความรักที่พระเจ้าทรงรักเราเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ที่จะรู้จักรักคนอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกัน พี่น้องครับในกรณีนี้เราจะเห็นเยอะแยะมากมายครับความรักเรียนรู้ได้แม้ว่าเราจะรักไม่เป็นในบางครอบครัวพ่อแม่รักลูกไม่เป็นกลายเป็นพ่อแม่รังแกฉันพี่น้องครับเพราะเหตุที่ว่าเราอาจจะไม่ได้รับความรักอย่างถูกต้องเราจึงไม่สามารถถ่ายทอดความรักความรักนั้นไม่ได้เกิดจากการตามใจการตามใจจะกลายเป็นสปอย ลูกของเราในที่สุดในพระธรรมยนต์ครับได้กล่าวถึงความรักในหนึ่งยนต์สองยอนต์สามยอตน์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหนึ่งยนต์ได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าอย่ารักกันด้วยคำพูดแต่จงรักด้วยการกระทำและด้วยความเป็นจริงพี่น้องครับการรักด้วยคำพูดรักง่ายนะครับแต่รักด้วยการกระทำรักยากเรนนี้ยนต์จึง บอกให้เราแสดงออกซึ่งอาการของความรักที่แท้จริงก็คือต้องเกิดจากการกระทําพี่น้องครับอย่าไปเชื่อนะครับว่าใครจะรักเราด้วยคําพูดแต่ให้เราดูการกระทําของเขาและดูยาวๆผมมีกล่าวถึงอนุภาพของความรักสิบประการในข้อที่สามสิบห้าพระเยซูเริ่มต้นคํารัสของพระองค์โดยใช้คําว่าถ้าถ้า เจ้าทั้งหลายรักกันและกันแสดงว่าคำว่าถ้าหรือ if เนะี่ยอาจจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้พี่น้องครับแสดงว่าเราอยู่ด้วยกันเราอาจจะไม่รักกันก็ได้พระเยซูแสดงความปรารถนาและพระประสงค์ของโปรงว่าอยากจะให้เรารักกันและกันแต่ถ้าเรารักกันและกันนะครับความรักของเรานั้นก็จะเป็นพยานที่หนักแน่นที่สุดครับเพราะว่าความรัก ที่แสดงออกมาซึ่งการกระทํานั้นเป็นความรักที่คนอื่นที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนเขาจะเห็นได้เขาจะสัมผัสได้และเขาจะได้รับประโยชน์จากความรักของเราที่แท้จริงที่เป็นความรักที่เสียสละได้เพราะฉะนั้นอนุภาพแห่งความรักนะครับอย่างน้อยสิบประการความรักประการที่หนึ่งครับอนุภาพแห่งความรักนั้นเป็นหลักประกันแห่งความมั่นใจความรักเป็นหลักประกันแห่งความมั่นใจครับ เปเสมือนกับทารกน้อยที่นอนหลับอยู่ในอ้อมอกคุณแม่เขามีความมั่นใจที่จะรับการปกป้องคุ้มภัยเพราะว่าเขาสัมผัสได้ว่าอยู่ในอ้อมอกของคุณแม่เขาได้รับความรักประการที่สองครับความรักสามารถเป็นพยานนําคนอื่นมารู้จักกับพระเจ้าได้จากความอบอุ่นความห่วงใยชั่วนหน้าที่มีต่อทุกคนทําให้ ความรักกลายเป็นพลังที่สามารถดึงดูดและเป็นพยานนำคนมารู้จักพระเจ้าได้ความรักประการที่สามครับความรักสามารถนำไปสู่การให้อภัยให้โอกาสได้นี่คือสิ่งที่เปียสุได้ส่งกระทับบนไม้กางเขนใช่ไหมครับเปียสูทรงให้โอกาสที่สองกับเราทั้งหลายเสมอและพระองค์ทรงประทานการอภัยอย่างสมบูรณ์มาถึงชีวิตของเราเช่นกัน ความรักประการที่สี่ของอนุภาพความรักความรักนําไปถึงการยอมฟังกันและกันลดอีโก้ของตอนลงท่อมใจและให้คนอื่นมาก่อนนี่คืออนุภาพประการที่สี่อนุภาพประการที่ห้าครับความรักนําไปสู่การช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทนเหมือนกับชาวสมัมฤรธใจดีครับ ที่ช่วยโดยที่เขาไม่รู้จักกันมาก่อนเขาช่วยด้วยความรักด้วยมนุษยธรรมประการที่หกครับอนุภาพแห่งความรักความรักจึงสามารถนําไปสู่การไร้ซึ่งผลประโยชน์ซ้อนเรนไม่มีผลประโยชน์ขับซ้อนและทำด้วยไม่ต้องการอะไรตอบแทนประการที่เจ็ดครับ ความรักนำไปสู่การยอมและการยอมรับการยอมไม่ได้เกิดง่ายๆนะครับพี่น้องแต่การยอมรับก็ไม่ได้เกิดง่ายๆเช่นเดียวกันยอมรับอย่างที่คนอื่นเป็นยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นประการที่แปดคับความรักนำไปถึงเรื่องของการกลับใจใหม่การเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนครับ ประการที่เก้าครับความรักนำไปถึงเรื่องของการทดแทนตอบแทนพระคุณของพระเจ้าด้วยกันรับใช้รับใช้อย่างสมัรใจและยืนหยัดอยู่ในความเชื่อของเขายืนหยัดอยู่ในหลักการอุดมการของเขาในที่สุดจนถึงที่สุดและประการสุดท้ายครับความรักนำไปถึงเรื่องของการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะว่าคนทั้งปวงจะรู้ว่า เราทั้งหลายนั้นเป็นสาวกติดตามพระเยซูขอพระเจ้าช่วยเราในวันจันทร์นี้ให้เรารักพี่น้องของเรารักครอบครัวของเรารักเพื่อนร่วม ง, งานของเรารักเจ้านายของเรารักผู้ใต้มาคำนชาที่เราได้อยู่ด้วยกันมีชีวิตอยู่ด้วยกันในโลกนี้เพื่อที่จุดมุ่งหมายสูงสุดคือเราจะเป็นพยานว่าเรา เป็นสาวกของพระเยซูอาเมน